m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 หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้ตอบตรงๆนะแต่พูดว่าพระเจ้าเนี่ยนะท่านก็เคยแสวงหาว่าสาเหตุแห่งทุกข์คืออะไรและ้าโยมเนี่ยอยากจะรู้ว่าสาเหตุแห่งทุกข์คืออะไรก็ลองนะทดลองนะให้ทดลองทำให้โยมลองลืมตาสัก5นาที แล้วก็ไม่หลับตาเลยแม้แต่วินาทีเดียวไม่ว่าลมมันจะแรงแค่ไหนก็ต้องไม่หลับตานะชายหนุ่คนนั้นก็ทดลองทำนะก็ปรากฏว่ามันทำได้ยากมากนะต้องฝืนทีเดียวเลยในการที่จะลืมตาโดยไม่หลับตาก็เรียกว่ามีความทุกข์นะจากการทดลองทำเช่นนั้นแล้วหลวงพ่อก็เลยพูดว่าเนี่ยสรรพสิ่งเนี่ย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 พาาระอรหันที่บรรลุธรรมได้เพราะการฟังเพลงที่มีนะแล้วก็ฟังเพลงจากหญิงสาวด้วยคนบางคนเข้าใจว่า้การฟังเพลงมันเป็นข้าสึกต่อพรหมจันทรนะ์มันเป็นก็ต่อเมื่อเราเนี่ยฟังเพื่อความเพลิดเพลิน เ, เพื่อสนองกินเลนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจฟังหรือว่าฟังอย่างพิจารณานเนี่ยเนื้อหาของเพลงก็อาจจะสอนใจหรือว่าเปิดใจเราให้เห็นธรรมะ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 ทั้งสองคนตายนะตายในรถออกมาไม่ได้ถูกไฟคลอกตายอันนี้มันเป็นเรื่องที่ปัจจุบันทันด่วนมากตัวนี้เป็นข่าวใหญ่นะเคสนี่เพราะว่าเาจ้าของรถเบนเนี่ยรวยนะแล้วก็คิดดูนะขับรถเบนเนี่ยในกรุงเทพนะสองกิโมตร่อชั่วโมงแถมขับเลนซ้ายนะแล้วก็ดูดูจะมีเส้นสายใหญ่โตนะ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 เธอบอกว่าเดี๋ยวมาลืนนี่กกลับบ้านแล้วเดี๋ยวก็เจอหน้าพ่อนะเดี๋ยวกนะ็บอกพ่อเอาไว้เมื่อได้เจอหน้าพ่อแล้วกันนะเธอก็หาทางผัดผ่อนนะอันนี้ก็เป็นคำแก้ตัวของเธอก็ว่าได้บรากว่าวันรุ่งขึ้นทางบ้านก็โทรมาบอกว่าพ่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยพ่อแคลนคอตายพ่อเป็นโรคประสาทเนี่ย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 ไม่ยอมทําหลายครั้งเราพัดน์ผ่อนเพราะเราคิดว่ามีเวลาไม่ทําวันที่ทําพรุ่งนี้ก็ไดนะ้บ่อยครั้งเนี่ยนะงานการมันก็เอาเวลาไปจากเราไม่มีเวลาไปเยี่ยมป้าเพราะว่างานเยอะนแต่พอมีเวลาขึ้นมาก็นึกถึงการความสนุกสนานนะเกลื่อนชวนไปเที่ยวพัทยาว่ายน้ําทะเล แล้วก็ผัดผ่อนไปเรื่อยสุดท้ายโอกาสทองก็หลุดลอยไปอันนี้เรียกว่าความประมาทผู้คนเนี่ยทาผิดพลาดแล้วก็เกิดความรู้สึกผิดติดค้างใจนะมากมายนีก็เพราะว่าความประมาทนะตัวอย่างแบบนี้มีเยอะมากนะปล่อยให้โอกาสทองหลุดลอยไปนะเพราะว่าคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีนะมันมีภาษิต ท, ที่เบบอกว่า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 ในสิ่งที่เรามีที่เราเป็นในวันนี้มันอาจจะกลายเป็นตัวข้ามในวันพรุ่งนี้ก็ได้ฉะนั้นถ้าเราเปิดใจแบบนี้เนี่ยเวลาเจ็บปวยก็ดีเวลาสูญเสียก็ดีเวลาพลัดพรากจากคนรักก็ดีเวลาชีวิตมันเข้าสู่ภาวะขาลงก็ดีเราค่จะทำใจได้ก่าเราคน่ทานนี้นะอา้าวกราบพระ